ท่านสาธารณผู้ถบริษัททั้งหลายและเพื่อนพิสุทธ์สมณเณรทั้งหลายในวันนี้ก็มาฟังกันถึงเรื่องบารมีสิหรือวันนี้คงเป็นทานบารมีตามเดิม <c oughs> แต่ว่าก่อนที่จะฟังเรื่องทานบารมีก็มาคำนึงถึงอารมณ์นี้กันซิก่อนเป็นการตัดอเมยภูมินั่นก็หมายความว่า ถ้าเราตายคราวนี้บาปกรรมใดๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วก็ดีจะไม่ยอมให้กฎของกรรมทั้งหลายเหล่านั้นนำเราสู่ลงสู่อบายภูมิก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาด้เกินคนที่เกิดมาในโลกที่ไม่เคยทำบาปถ้นไม่มีต้องมีทุกคนแต่ว่าบาปนี้เราหักล้างไม่ได้มีทางเดียว คือทำบุญหนีบาปการทำบุญหนีบาปเรื่องแรกก็คือหนึ่งให้คิดไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้าเราตายถ้ากรรมดีให้ผลก็ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้นถ้ากรรมช่วยผลก็ไปสู่ทุกติมีนรกเป็นต้นเราจะไม่ยอมไปอบัยภูมิอาการที่เราจะหนีก็คือหนึ่ง ให้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์พ <c oughs> ิจารณาดูว่าท่านดีคนที่เราจะยอมรับนับถือไหมถ้าดีคนที่เราจะยอมรับนับถือก็ยึดคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งโดยการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่าน แล้วก็บริการต่อไปทรงศีลตามสภาวะให้บริสุทธิ์เรววัมีความสำคัญที่ศีนห้าสำหรับปีสุขสมณีนนมีความสำคัญในสิขาบทที่ต้องปฏิบัติพยายามปฏิบัติให้ครบถ้วนแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทำความดีแล้วก็คิดตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ เป็นเทวดาหรือพรมเป็นสุขแต่ว่าสุขั่วคราว <c oughs> หมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องลงมาใหม่เป็นมโลกทั้งสามปร ก, การนี้เราไม่ต้องการเราต้องการจุดเดียวนั่นคือนิพพานตั้งใจให้ตรงและเพื่อนิพพานแล้วก็ทบทวนอารมณ์ไว้เสมอว่าเรามีความระมาดในชีวิตไหม เราเคยคิดไหมว่าวันนี้เราจะยังไม่ตายคิดว่าวันนี้เราจะยังไม่ตายแสดงว่าเราประมาทในชีวิตมากองคง์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอเราจะได้ประมาทในการปฏิบัติความดี แล้วก็ดูศีลของเราศีลบริสุทธิ์ไหมเราเคยปราโมทาในคุณพระไตรศนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าพระสงฆ์หมายถึงพระที่ดีพระที่ดีข้างหน้าเลวข้างในแล้วเลวทั้งนอกข้างในก็จงอย่ายอมรับนับถือเพราะเดี๋ยวยัดเหมือนกับแม่แล้วก็น้องของท่านกัปปิละ ท่านกัพปิระท่านเลวพาแม่และน้องสาวลงอเวจีมหานรกไปด้วยไม่ควรแล้วกระดูอารมณ์ต่อไปว่าโลภความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมีในเราหรือเปล่าถ้ามีรี ก, กำจัดอารมณ์ใจนั้นเสียอาการที่สองความโกรธความย่บาดขังใจมากหรือเปล่ายามลดมันเสียถ้าขังอยู่ ความหลงคิดว่าโลกนี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเรามีอยู่รือไม่ถ้ามีกาจัดมันทิ้งไปเสียรักษากําลังใจทีละน้อยๆเพื่อตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงแต่จิตใจจริงๆให้ทรงไว้เสมอว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้แน่นแฟน้นมีสินบริสุทธิ์จิตใจตั้งไว้เฉพาะปณิพานธ์ <c oughs> การทำความดีทุกอย่างเราไม่หวังผลตอบแทนในชาติตุบัน <c oughs> แล้วก็ไม่หวังเป็นเทวดาไม่หวังเป็นพรมไม่ในยมในความเป็นมนุษย์ต้องการจุดเดียวคือนิพพาน <c oughs> ถ้าร่มอย่างนี้ทรงตัวเรามีหวังแน่นอนว่าตายคราวนี้และตายคราวต่อไปถ้าอย่าเพิงตายอีก ขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตวริฉันไม่มีสำหรับเราเราจะเดินไปเฉพาะจุดเพื่อหมายมุ่งตรงพนิพาน <c oughs> สำหรับต่อไปนี้ก็มาคุยเรื่องทานนบ ร, รมีต่อไปสำหรับการให้ทานนี่บรรดาเพื่อนพิสุสมมเนธทั้งหลายและก็ทุกท่านที่กำลังนั่งฟังอยู่ที่นี่ พยายามให้ทานตามนี้คือว่าระยะการให้ทานครั้งแรกทานเนี่ยได้พูดไปแล้วว่ามีพรหมิหารสี่เป็นพื้นฐานคือเมตตาความรักกำหนาความสงสารแต่ในว่าในตอนต้นๆกำลังใจเราอาจจะหวั่นไหวอยู่มากถ้าไปคิดว่าจะให้ทานกับคนที่เราไม่ชอบใจ ว่าทำให้เราไม่ชอบใจไว้ก่อนใจอาจจะไม่สบายเพื่อการให้ทานจะมีผลดีนะต้องมีเจตนาสามประการครบถ้วนนั่นคือหนึ่งก่อนจะให้ตั้งใจว่าจะให้สองขณะให้อยู่ก็เต็มใจให้สามเมื่อให้แล้วก็มีความปลื้มใจมีความอิ่มใจว่าเราทำการสรงเคราะห์แล้วคือให้ทานแล้ว <c oughs> นี่ชื่อว่าเจตนาสามประการถ้ามีครบทวนเมีอนิสงมากแต่เรื่องอานิสงนี่ก็ต้องดูบุคคลก่อนถ้าบุคคลผู้รักไม่บริสุทธิ์คือไหว้พระก็ดีคารวะก็ดีเนเองก็ดีถ้าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ทานแล้วก็ลดผลทานแล้วก็ลดไปหนึ่งลสาม ถ้าเราเองไม่บริสุทธิ์ก็ลดไปอีกหนึ่งถ้าวัตถุทานไม่บริสุทธิ์ด้วยเลยไม่มีผลกันเลยจะได้การให้เราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์วัตถุทานก็ต้องบริสุทธิ์ไม่ลักไม่ขโมยไม่คดไม่โกงไม่ยื้ไม่แย่งใครเข้ามาผู้รับทานเป็นผู้บริสุทธิ์จึงจะมีอนิสงส์เลิศ แต่สำหรับทานบารมีนี่เราต้องการตัดโลภะความโลภเพือหวังทำลายกิเลสให้สิ้นไประหวังนิพพานฉในการให้ทานเราอาจจะไม่เลือกบุคคลก็ได้แต่ถ้าว่าต้องดูกันก่อนไม่ตอนแรกๆกลต้องเลือกถ้าไม่เลือกความผลมันจะไม่มีความหมายตั้งนี้พ่อไรกระผวาเมือง ถ้าคนที่เราไม่ชอบใจ <c oughs> คิดว่าให้ทานเมื่อไรใจมันก็ไม่เป็นสุขอารมณม์จะขุนมะนนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเว้นซะก่อนเว้นคนที่เขาปรกาศตนเป็นศัตรูกับเราให้เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นศัตรูกับเราต่อไปเมื่อความเมตตากรุณานมีความสูงขึ้น อา <c oughs> รมณ์เ้าเบิกขาส่งตัวคือวางเฉยมันเฉยได้ในการคนอื่นแล้วก็ให้ทั้งทั้งที่คนที่เราชอบเราไม่ชอบก็ให้ความจริงการให้ทานกับสัตว์เรฉานนี่จะไปนึกว่ามีผลน้อยถ้าเราให้บ่อยๆมันก็เกิดผลมาก <c oughs> ย้มให้เพื่อทำให้จิตให้เป็นสุขนี่ลักษณะการให้ทานต้องค่อยๆทำและอีกประการหนึ่งการให้ทานคิดไว้เสมอว่าคนที่เราให้อย่าไปหวังการตอบแทนของเขาแต่ว่าบางคนให้แล้วกลับเป็นศัตรูกับเราเป็นการให้ให้กำลังกับโจรอันนี้ผมโดนมาเยอะแยะแล้ว ขณะที่พูดนี่ก็ยังมีอยู่ผู้ที่รับผลจากผมเองถ้าคิดเป็นเงินเป็นจํานวนแสนแสนไอ้คําว่ารับผลนี่หมายความเขาเกาะเงาของผมเอาไปหากินแต่ว่าคนประเภทนี้ก็ยังคิดค่าอยู่เวลานี้ที่พูดมา น, นี้ไม่ได้พูดให้พวกท่านเจ็บใจ ให้จำไว้อย่างเดียวว่าการให้ทานอย่าหวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบันต้องต้องคิดไวว่าเขาเป็นคนดีถ้าเขาจะเลวก็เป็นเรื่องเลวของเขาทำใจให้เป็นสุขคิดว่าเราให้ทานเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตจิตเจะตัดโละความโลภนี่เป็นลักษณะาการให้ทาน แด้การให้ทานมีอีกแบบหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดในเรื่องของมนางวิสาขามหบาสิกาว่าบิดาของท่านสอนท่านในขณะที่แต่งงาน <c oughs> ว่าหนึ่งเขาให้เราจรึงให้เขาไม่ให้จงอย่าให้และเขาให้หรือไม่ให้ก็ตามเราก็ให้ หมายความเขาไม่เขาให้เราจรึงให้เขาไม่ให้เราจงอย่าให้เขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้ในก็หมายความว่าในอันดับแรกต้องดูก่อนว่าคนใดที่เราให้ไปแล้วกาลังใจเรายังอ่อนยังมีรมวันไหวเขาให้ความขอบใจคความยินดีในเราเราจรึงให้ความสดชื่นจะได้มีกับจิต ถ้าเราให้เขาไปแล้วแต่เขาไม่ให้หมายความให้ไปแล้วกลับประกาศตนเป็นศัตรูมีความกักตัญญูไม่รู้คนคนคนประเภทนี้เราจงอย่าให้จะทําให้ใจของเราหวันว่นไหวที่ข้อสุดท้ายว่าเขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้ใ น, นก็หมายความว่าคนเขาอดอยากจริงๆมีความทุกข์ร้อนเราให้ เราให้โดยไม่คิดว่าเขาจะขอบใจหรือไม่ขอบใจเขาจะยินดีในเราต่อไปในเบื้องหน้าหรือไม่เป็นเรื่องของเขาเราให้เพื่อเป็นการปลื้งทุกข์แลาให้เพื่อด้วยความเมตตาปราณีแลวตั้งจิตว่าเราให้อย่างนี้เพื่อเป็นการปลื้งโลภความโลภในจิตของเราจิตเราจะได้สบายอย่างตัวอย่างที่บรรดาพวกเราทั้งหลาย และพวกท่านา ท, น ท, นาทนั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ญาติโยงพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เราร่วมกิจกรรมมนหนึ่งกันมาหลายปีตั้งแต่พระบาทสมเด็จพีะหัวทรงมีพระราชดำรัสขอให้ตั้งศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุระคันดานแล้วก็ทํามาสิ่งเข้าสารไปแล้วเกือบเหมือนกระสอบ ความจริงถ้าคิดละเอียดก็เกินเหมือนกับสอบแล้วก็มีผ้าผ่อนท่านสบายมีของใช้มีอาหารมีย า, ารกักษาโรคคิดจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2521มาถึงวันที่29มกราคม2527คิดแล้วเงินหมดไปเกินกว่าสิบแสนไม่ค่ากาเงินเกินไปกว่าสิบล้าน การให้อย่างนี้เราไม่ได้หวังผลตอบแทนทุกคนร้อมยินดีแ้วก็ยังให้กันอยู่การให้อย่างนี้ถือว่าเป็นการให้เพื่อตัดความโลภจริงๆให้เป็นการสงเคราะห์ถ้าจะพูดถึงอนิสงส์ก็คล้ายกับท่านเวนตกกะเศรษฐีในชาติรองลงไปก่อนที่จะขึ้นมาเป็นเวนตะกะเศรษฐีชาตินั้น มีวาระหนึ่งนัยะสามปีเกิดข้ายากหมากแพงผลแรงไม่ตกต้องตามดูการท่านถามบริหิตก่อนก่อนที่จะไปเฝ้าพระราชาท่านถามบริหิตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบา้างท่านบริหิตบอกว่าผมมีหน้าที่ในการพรยากรผมก็ตรวจเช็ตาของประเทศตลอดเวลา หลังจากนี้ต่อไปสามปีข้าวจะยากมากจะแพงฝนจะแล้งไม่ตกต้องตามดูการโรคคือความหิว <c oughs> ที่ไม่มีอาหารบริโภคจะเกิดขึ้นกับประชาชนจะมีความยากลำบากมากท่านกลับมาบ้านสั่งทานาเป็นการใหญ่ตั้งช้างไว้ถึงหนึ่งร้อย ยี่สิบห้าช้างถ้าผมจำไม่ผิดนะจำนวนนี้ไม่แน่อาจจะหนึ่งหรือหนึ่งพันสองรอยสิบห้าช้างผมจำไม่ได้ทำข้าวแล้วก็เอาเงินไปซื้อของท่านเป็นเศรษฐีซื้อข้าวใส่จนเต็มเตรียมไม่กินในที่สุดข้าวทั้งหลายแล้วนั้นมันก็หมดหมดแะยังฝนไม่ตกเลยเกิดความลำบากมาก ต่อมาวันหนึ่งท่านไปเฝ้าพระราชากลับมาเข้าสารที่บ้านมาเรือท่านนานเดียวและคนที่บ้านมีทั้งห้าคนที่ว่าห้าคนเพราะว่าตอนอดอดิอยากท่านปล่อยให้คนรับใช้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ของทานไม่ต้องกลับมาอีกเมื่อข้าวดีอาหารดีจะกลับมาก็ได้ไม่กลับมาก็ได้ปล่อยวิสระ <c oughs> วันนั้นพันหิวจัดมาบ้านถามพันยาว่าข้าวมีไหม <c oughs> พันยาก็ตอบว่ามีมีอยู่หนึ่งขนาดนท่นก็เลยบอกว่าถ้าเราต้มเรากินได้สองวันถ้าห่วงกินในวันเดียวพันยาก็บอกยังไงไงก็ห่วงเมื่อห่วงข้าวขึ้นสุกกำลังจะกิน ก็พอดีมีพระบาเจงพระเจ้าองค์หนึ่งท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็พิจารณาว่าวันนี้จะได้ใครเป็นผู้สงเคราะห์เราบ้างก็ทราบว่าคนอดอยากกันมากร่างกายมันต้องการอาหารเวลาที่เข้านิโรธสมาบัติมันไม่หิวและออกจากนิโรธสมาบัติมันหิวแล้วก็ ร่างกายต้องการอาหารก็ต้องหาให้มันทราบด้วยทิพย์กุยานว่าบ้านนั้นนั่นแหละคือบ้านทันเมนกาเสฐีชาตินั้นถ้าไปแล้วเขาจะถวายไม่ได้ข้าวมีทนานเดียวเขาก็ถวายจียงเล่ห์เหะไปจากวกเขาคันเดมัดไปยืนอยู่พอ ร, รับบิณฑบาตถ้าไม่ได้กายเสถียรเหงข้าวก็คิดว่าใชา่ก่อนเราทําทานไว้น้อย จึงต้องมาอดอยากอย่างนี้แล้วจะกินข้าวท่า น, นานเดียวประโยชน์ก็มีจะมีประโยชน์กับเราวันเดียวเท่านั้นถ้าเราใส่บาตรจะได้บุญใหญ่ต้องการบุญเพื่อชาติหน้าดีกว่าชาตินี้ยอมอดตายก็จึงเ้าข้าวไปใส่บาตรพร ะ, ระบัจจีพระพุทธเจ้าพอใส่ไปได้ครึ่งหนึ่งพระบัจจีพร ะ, ระพุทธเจ้าก็สรงอ้าบาตรปิดบาตรบอกว่าพอไะโยม ท่านก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งพอขอรับผมมันเร็วมากใช่ก่อนให้ทานไม่น้อยชาตินี้ขอได้โปรดรับให้หมดไปเพื่อประโยชน์ของผมพระบัจจุธเจ้าก็ทรงรับแล้วคนทั้งหมดก็ต่างคนต่างอธิษฐานต้องการความร่ำรวยต้องการความเป็นสุขทั้งห้าคนแอบรายกุศพัญญาของท่านอธิษฐานว่า ออำนาจบุญบารมีอันนี้ที่ใสบ่ บ, บ, าบา่ายกับพระบัจจกับพระตเจ้าว์เ <c> ห <oughs> มือนกับเวียงชีวิตลงไปในบ่ายกับพระบัจจกับพระตเจ้าเพราะว่าข้าวามันมีเท่านั้นไมา่กินก็ตายกันแน่ขอผลบุญบารมีอนี้ในการต่อไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าข้าวปราหารที่จะแจกแกบุคคลผู้ใดถุงเต็มหม้อ แล้วก็ตักออกไปแล้วให้มันแวงแค่ทับพีเดียวจะตักเท่าไรก็ตามทีข้าวจะเต็มหมอ้ออยู่เสมอแวงแค่ทับพีต้นพระบัจเจพุทธเจ้าจะให้ให้พรวยถ า, าวรีวหาและเอวังโหตุเพืวความปรารถนาเสียงใดมีจงมีความปรารถนาสมหวังทุกประการแล้วทั้งกับไปทั้งกัอธิษฐานจิตว่าเราควรจะทำ ความดีนี้ให้ปลายกว่กิเศรษฐีระบบคนทุกคนท่านเหาะไปภูเขาคขมาดท่านมันดานด้วยกำลังฤทธิ์ของท่านให้ทั้งห้าคนเห็นท่านไปตลอดเวลาพอไปภูเขาคขมาดแล้วก็มีพระพระพิเศษพพุทธเจ้านับเป็นพันเข้ามารับบาตรจาท่านท่านก็ใส่บาตรพระพิเศพุทธเจ้าทุกองค์เต็มหมดข้าวในบาตรของท่านก็ไม่หมดท่านต่างคนต่างฉัน ทุกคนเห็นแบบนั้นก็ปลื้มใจว่าน่าก็บพระบาเจอพระทุธเจ้าน่ามากมายนักต่อมาหันหน้ากข้บมาในบ้านท่านมหาสถีหิวแล้วก็หิวมากขึ้นใจมันอิ่มแต่ว่าท้องมันหิวเจียมถามพัญญาว่าน้องไห้เข้าตังก้นหมอบมันมีไหมพัญญาคนไทยก็แสนดีคำว่าไม่มีไม่เคยตอบ พอมีเจ้าค่ะท่านก็นเลยบอกขอข้าวตังชิ้นเคี้ยวสักนิดแต่ชิ้นเควแย่แล้ว <c oughs> ท่านยาก็ไปเปิดหม้อข้าวที่ไหนได้แทนที่จะมีแต่ข้าวตังข้าวสุกเต็มหม้อปรีด้วยอํานาจของพอดปฏิเสธพระ พ, พ, พุทธเจา้าแล้วบอกนายโอ้โหข้าวเต็มหม้ออัศจรรย์จริงๆเมื่อกี้ยังโคตหมดแล้วนะความจริงข้าวตังมันก็ไม่เหลือ ที่ท่านถามฉันฉันก็พูดแบบเอาใจคิดว่าจะเอาน้ำล้างหม้อให้ท่านบริโภคแต่วัที่ไหนได้ข้าวสวยแล้วก็มีฟิ่นหอมมากนิ่มนวลได้เกินอ้อร้อนกลุ่มมันก็สุกใหม่ๆแต่ความจริงหม้อไม่ได้ตั้งเตาเทศสีท่านเศรษฐีก็เรียกลูกชายลูกสะพ้ายทัดเชือในบุญไม่ยอมไปไหนมากินด้วยกันหมดกินหมดเสรีเรียบร้อย แ, แล้วไอ้ข้าวมันก็ไม่ยอมยุ หม้อทั้งหม้อมันเต็มแล้วก็ร้อนอยู่อย่างนั้นไม่ต้องหุงใหม่เพราะไม่มีข้าวสารจะหุงยินงได้แจกชาวบ้านบ้านไกลเดี้ยงเคียงใครมาก็แจกแจกแจกแจกกิงกันจนอิ่มอิมแล้วอิมอ่มอีกกี่เวลาก็ตามคนมาเท่าไหร่ก็ตามแจกกันดะในที่สุดในที่สุดคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็ต่างคนต่าง ม, มาขอข้าวสุกจากท่าน ท่านก็แจกทั้งวันทั้งคืนข้าวมายอมหมดแหวงไปแค่ท่าีเดียวท่านบอกว่าอานิสงส์แจกไม่เลือกแบบนี้ทำให้ท่านบรรยากาศเศรษฐีหนึ่งปัญญาของท่านหนึ่งลูกชายของท่านหนึ่งนักวิสาขามหาวิทยาศาสตรสมัยนั้นเป็นลูกสะพ้ายหนึ่งและในบุญทาสีซึ่งเป็นท่านหนึ่งมาเกิดร่วมกันอยู่ในบ้านเดียวกันอีก พ่อก็มาเป็นพ่อแม่ก็มาเป็นแม่ลูกชายก็มาเป็นลูกชายลูกสะใภ้ก็มาเป็นลูกสะใภ้ในบุญเธอดีฐานในสมัยนั้นมาขอเป็นาทาสต่อไปเธอก็มาเป็นาทาสรับใช้แต่ที่มีวาสนาบารามีเป็นมหาเศรษฐีไม่ทรัพมากก็ไม่ยอมออกจากบ้านพอท่านเมรดการเศรษฐีเกิดขึ้นมาในคันมันดา รายกดว่ามีแพะทองคําโตเท่าช้างบ้งางธรรมะบ้างนับเป็นพันตัวล้อมบ้านอยู่และมีสายไหมในปากอยากจะกินอะไรดึงพับออกมาเป็นข น, นมนมนอยเป็นอาหารการบริโภคกินต้มกินแกงแบบไหนมีหมดตามต้องการต้องการภาพผลท่านสบายก็ได้ต้องการเพชรนินจินดาก็ได้เงินทองเท่าไหร่ก็ได้เลยดึงกันใหญ่แค่แพะก็รวยแล้ว แท้ทองคําโตเท่าช้างบางโตัวถามาบ้างไปพันตัวก็เหลือแหล่แกกลับดึงได้เงินได้ทองได้แก้วแหวนจินดาอีกมันก็รวยกันใหญ่เลยเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ที่มีเงินนับไม่ได้นี่ระบรรดาเพื่อนพิสูจ น, น์สมณีนและญาติโยมที่กําลังนั่งรับฟังอยู่การให้ทานในเบื้องต้นมันเป็นสุขอย่างนี้ นั่นหมายความถ้าเรายังไม่เข้าถึงนิพพานเพียงใดเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ในเบื้องวัตถุที่จะพึงใช้พึงกินจะมีความอุดมสมบูรณ์มากฉะนั้นตามที่บรรดาท่านทั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตั้งใจบำเพ็ญทานบารมีการตั้งใจบำเพ็ญบรรทานบารมีคิดไว้เสมออย่างนี้ พวกเรานี่คิดจริงๆนะจะมีอะไรเกิดขึ้นสังฆทานนี่เราถาวายสังฆทานกันวันยังคำ่ำใครไปใครมาก็สังฆทานสังฆทานอเมริสงเลิศพระพุทธเจ้าบอกเกิดกีก่ชาติกี่ชาติความจนจะไม่พบสาธณทานเราก็ทำทำตั้งแต่เชียงไรายไปยันที่ไหนปะ ตะวันออกก็สุดจันทบุรีตะวันตกก็สุดการเจน บ, บรุรีทิศใต้กับจุดใหญ่จุ ด, จดจลานนราธิวาสเราก็ทำกันทั่วหมดใครเขาอดที่ไหนเราไปที่นั่นต่างกำลังทั้งๆ ท, ที่หน่วยของเราศูนย์สงครา์นี้มีทุนน้อยแต่ว่ากำลังใจคนดีเวลาเกิดเรื่องมาทีต่างคนต่างรวบรวมกัน อย่างนี้คิดว่าองค์สมเด็จพระทรงฆท่านควรจะตัดว่าทานของพวกเราคล้ายคลึงกับทานเขาทรามเณรอากาศเสด็จทีถ้าบุญบา ร, รมีของเรายังไม่เต็มเพียงใดเกิดกี่ชาติก็เข้าใจว่าเป็นอย่างท่านเณรอากาศเสด็จทีแต่บุญบา ร, รมีเขาธรรมเณอากาศเสด็จทีนั้นชาติอีกชาติเดียวขึ้นเกิดมาเป็นเณรอากาศเสด็จทีท่านก็เป็นพระอริยเจา้าฟังเทศจบเดียวเป็นประโสดาบันทั้งหมด แด่ดบรรดาญาติโยมเจ้เพื่อนพิสุทธ์สมบัเณรผู้เป็นสาวกข้อองค์สมเด็จพระบรมสุคติทิศญาณบอกเวลาหมดแล้วค้ลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ลผลผลย้งมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิสุทสมบันเณรทุกท่านสวัสดี